ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ราดังที่เคยบอกมแล้วว่าจะแนะนำเอาประวัติของพระสาวกฝ่ายละท่านมาเล่าสู่กันฟังวันก่อนนั้นได้พูดถึงพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาคือปัญญาโคลธัญะญ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นรัตัญยูคือยอดแห่งระสาวกทั้งหลายที่รู้ราตรีนานวันนี้จะได้นำประวัติของภิกษุณีรูปแรกคือพระมหาประชาบดีโคตมีมากล่าวพระมหาประชาบดีโคตมีนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดแห่งภิกษุณีที่รัตัญญูคือรู้ราตรีนานเช่นเดียวกัน ประวัความเป็นมาในอดีตของท่านนั้นพระโบราณอาจารย์สรุปชาติอดีตไว้เพียงสามชาติคือในที่สุดแห่งพัฒกับนี้หรือนับย้อนหลังไปได้แสนกับสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าปทุมุตรท่านเกิดเป็นกุลธิดาในเมืองขังสาวดีนครหรือหงสาวดีนคร ก็ได้ฟังธรรมะในพุทธสํานักจะเกิดประทับใจในฐานะตำแหน่งที่ภิกษุณีรูปหนึ่งได้ได้รับยกย่องในพุทธสํานักว่าเป็นยอดแห่งภิกษุณีทั้งหลายผู้รู้ราตรีนานก็เกิดความปรารถนาที่จะได้ตำแหน่งนั้นจึงได้เริ่มทำบุญกุศลด้วยประการต่างๆ ในสำนักของพระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าปตุมมุตระแล้วก็ตั้งความปรารถนาที่จะได้ตำแหน่งยอดแห่งภิกษุณีภุรุราตรีนานแะได้รับการพยากรณ์ในสำนักของพ ร, พระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันกับพระยากนสัญญาว่าท่านจะได้สําเร็จตามความประสงค์ในสมัยของพระพุทธเจ้าทรงประนามปะโดจปา หลังจากท่านทาการรักกิริยาไปแล้วก็ไปอุบัตในมในสุกติโลกสวรรค์ต่อมาในสมัยหนึ่งคือว่างพุทธกาลท่านได้เกิดมาเป็นทิดาของหัวหน้าทาสีในเมืองพาราณสีในสมัยหนึ่งพระปจเจกับพุทธเจ้า ถึงตามปกติก็อยู่ที่ภูเขาขันธมาติแต่ว่าในพรรษานั้นจะต้องเข้าจำพรรษาในเสนาสนะที่มีที่มุงที่บังตามธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็ออกมาเพื่อจะหาที่จำพรรษาที่สำน ว, นวนว่าขอหัตถกรรมก็ได้แก่ขอขอสนับสนุนให้สร้างกุฏิเล็กๆให้นั่นเอง จะอยู่ได้ตักงสามเดือนก็เข้าไปในเมืองไปข อ, อกับท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีบอกว่าท่านยุ่งมากงานมากไม่มีโอกาสที่จะให้การสนับสนุนแต่ว่าตอนที่เราประเจกับพุทธเจ้าเข้าไปนั้นก็สวนทางกับหัวหน้าทาสีเวลาท่านออกมาก็สวนกันอีกนางก็เกิดความคิดว่า พระผู้เป็นเจ้าเข้าไปไม่นานแล้วกลับออกมาไม่ทราบว่ามีความประสงค์อย่างไรจึงเข้าไปเรียนถามท่านก็บอกความประสงค์ให้ทราบวันน้นนางทาสีก็ถามว่าอการขอหัตถกรรมคือคือรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิเล็กๆพึงง่ายมันสําหรับคนร่ํารวยเป็นเศรษฐีเป็นพระราชาเท่านั้นหรือหรือว่าใครก็ได้พระประเจกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าใครก็ได้ นางก็ขอรับเป็นเจ้าภาพสร้างกระสอบถวายเนื่องจากเป็นหัวหน้านางทาสีก็ไปชักชวนเพื่อนที่เป็นทาสีด้วยกันบอกให้พวกเรานั้นเก็บรวบรวมเงินกันแล้วไปถวายอาหารบิณบาตแก่พระประเจกพุทธเจ้ า, จาส่วนสามีแล้วก็ลูกๆ ก, ก็เรียกมาประชุมนางก็เป็นหัวหน้าชี้แจง ให้ทุกคนนั่นเสียสละแรงงานไปหาไม้ในป่ามาทำกระตอบเด็กเล็กถวายก็ะปเจกกับพุทธเจ้าซึ่งในที่สุดทั้งฝ่ายสามีพัญญาก็มีความเห็นร่วมกันแล้วก็มีความพร้อมเพียงกันที่จะกระทำตามคำสั่งของหัวหน้าทัศีเสร็จแล้วก็ได้ถวายกุฏิคือเป็นกระตอบธรรมดาอยู่ได้ลนขนาดสามเดือนแล้วก็ พร้อมด้วยอาหารแก่พระปเจกับพทธเจ้าแต่ในที่นี้เนื่องจากท่านมาอยู่มากโคนระดับเศรษฐีไม่ให้การสนับสนุนผู้คนยากจนก็ต้องร่วมมือกันสนับสนุนโดยการบำรุงท่านตามสติกำลังพอถึงออกพรรษานางก็ไปชักชวนให้พวกทาสีและก็สามีบอกว่าให้ช่วยกันหาผ้าคือตามที่จะได้ ก็ปนคลกันไปสรุปแล้วก็มีผ้าทั้งดีทั้งไม่ดีจะได้ถึงห้าร้อยผืนแล้วนางก็เอาผ้าชนิดที่เรียกว่าไม่ดีเอามาเย็บเย็บต่อกันเป็นจีบอได้สามชุดก็ไปถวายเป็นพระะเจถวายแก่พระพเจกับพุทธเจ้าส่วนผ้าเหล่านั้นก็ถวายเป็นผ้าอาบนำผล นางทำบุญกุศลการสืบต่อกันมาจนในที่สุดก็ตายไปกวนเวียนอยู่ในเทวดาและมนุษย์ดริยะหนึ่งก็ได้บังเกิดมาว่างพุทธกาลอีกนะไปพบกับพระปัจเจกระพุทธเจ้าคนอื่นเขาไม่ศรัทธาเลื่อมใสแต่ท่านเองเกิดศรัทธาเลื่อมใสให้การบำรุงตอนนี้ฐานะท่านดีให้การบำบุงสนับสนุส น, นพระปัจเจกระพุทธเจ้าอีก แล้วก็ตายจากนั้นก็ต้องเที่ยวในเทวดาและมนุษย์อกีกมาถึงก่อนพุทธกาลก็ได้มาบังเกิดในโกรยะสกุลเป็นราชธิดาของพระเจ้าอัญจนากับพนางกาญจนาแห่งกรุงเทวทหะเป็นน้องสาวของพนางมายาชื่อว่าประชาวดีหรือบางทีก็เรียกว่าโคเตมี หลังจากพระเจ้าสุโธทนะได้อภิเสกสมรสกับพระนางสิริมหามายาจนเจ้าชายสิทธัตถะประสูติพระราชโอรสแล้วเอ้ยจนประสูติเจ้าชายสิทธัตถะแล้วพระนางมายาก็ที่บุญคตตอนนั้นพระเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะก็มีพระชนมายุเพียงเจ็วันเท่านั้นเองพระเจ้าสุโธทนะจึงขอให้พระนางพระชายาบดีรับเลี้ยงดูแล้วก็สถาปนาเป็นอัครมเหสี ต่อมาพระนางก็ประสูติพระโอรสชื่อวนัน t ะ a กับพระชิิดาชื่อว่ารู ป, ปรนัน tha แต่เนื่องจากเจ้าชายจิตตะเป็นลูกของพี่สาวที่กำพร้ามาแต่เด็กประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเนื่องจากขนทำนายถึงอนาคตของเจ้าชายจิธธะไว้ยิ่งใหญ่มากก็ทาให้นางเอาใจใส่เลี้ยงดูเจ้าชายจิทธะยิ่งกว่าลูกของตัวเอง ก็เลี้ยงดูด้วยมือตัวเองมาตลอดเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวนบําเพ็ิญเพียรจนได้สัต์สรู้อย่างที่ทราบกันนะตอนที่เสด็จมากรุงมกบิลพัทในคราวแรกที่เป็นเหตุให้ทรงแสดงเรื่องเวสันดรชาดกเรื่องมันโยงกันเยอะใหญหมดตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าพระนางได้บรรลุมรรคผลอะไร เพียงแต่รู้ว่าพระเจ้าสุโธธนะได้บรรลุโสดาโสดาปฏิผลแต่เมื่อเสด็จมาประทับที่นิโครธารามซึ่งเป็นอุทยานหลวงในกลุงมกบิลพัฒน์นั่นเองในตรงนี้เองแหละพระญาติต่างๆที่บวชตามเสด็จเป็นนันมากพระนางมหาประชาบดีโคตมีนั้นก็ยังรักและก็ชื่นชมใน พระพุทธเจ้าเหมือนเดิมก็ยิ่งกว่าไปอีกเพราะตอนนี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เกิดเบื่อนหน่ายในชีวิตการครองเรือนต้องการที่จะบวชแต่พระพุทธเจ้าก็ห้ามไว้เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีภิกษุณีขอครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ให้ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากกรุงกบินลพั์ไปประทับที่ประเชศตวัน พระนางประชาบดีโคจะมีตัดสินพระทัยเด็ดขาดชวนสาธกิยา น, นีซึ่งส่วนมากแล้วก็เป็นพวกสนมของเจ้าชายจิตตะในสมัยที่ยังไม่เสด็จออกพนวดประชวนกันบวชเลยบวช ด, ดื้อกันเลยโกนหัวนุ่งหมผ้ากาสายะกันเลยก็ไปตอนนั้นพระนางมีพระชนมายุมากแล้วนะอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้า จ, ะจะัุร้ก็พระชนมายุสสิบห้า แล้วตอนนั้นอย่างน้อยก็จัดสรุมาแล้วเจดปีโดยพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็คงจะห้าสิบกว่ากว่าไปแล้วแต่ว่าเนื่องจากตัดสินพระไทยเด็ดเดี่ยวมากแม้พระราชาวงศ์ผู้ใหญ่จะนำขบวนรถส่งให้ถึงกรุงสาวัตีก็ไม่ยอมเดินไปด้วยพระบาทจากกรุงกบินละพั์ถึงสาวัตีไปถึงจะขอเข้าเฝ้าเพื่อขอประธานพุทธานุญาตแต่ยังไม่ได้โอกาส พระนลซึ่งเป็นหลานชายออกมาพบเข้าสอบถามทราบความแล้วก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คงไม่ประทานพุทธานุญาตอยู่นั่นเดงในที่สุดพระนลก็อ้างความเดิมมาตั้งแต่พระนางสิริมหมายาตายออว่าพระนางมหม า, าวิชาบดีโคตมีได้มีบุญคุณเลี้ยงดูมาเป็นต้นนี่ก็ว่ามาโดยดําดัดดบ พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ประทานพุท ธ, ธานุญาตเพราะถือว่าจะอยู่ในเพศคืออยู่ในวังก็สามารถบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลได้พระอานนท์ถ้ากมาไม้ใหม่บอกว่าถ้าจะตีบวชเนี่ยสามารถเป็นพระอรหันต์ได้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้จํากัดที่ใครพระอรหันต์เนี่ยใครก็สามารถที่จะเป็นได้ถ้าหากว่าปฏิบัติผ่านขั้นตอนต่างๆมาได้ ท่านก็เอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาผสมเสมกันพร้อมด้วยความตั้งพระทัยเด็ดเดี่ยวของพระนางเนี่ยคือไม่ยอมกลับเดินมาขมุกขมอมต้งกรุงกบินละพระ ถ, ถึงสาวัตถีไม่ใช่กล้นะฮะแล้วก็ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเป็นเงื่อนไขว่าถ้านางมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยสาวกยานีสาวกยานีนั้นหมายถึงเจ้าหญิงสากยะทั้งหลาย จะยอมปฏิบัติตามสิ่งที่เรียกว่าคารุธรรมแปดประการได้แล้วก็ก็บวชก็บวชอ่ะคือถือว่าให้บวชได้เมื่อพระอนอนท์ไปแจ้งให้ทราบท่านก็ปีติมากท่านบอกว่าอย่าว่าแต่คารุธรรม8ปประการนะี่มากกว่านี้ก็เอาได้คือขอให้ได้บวชก็แล้วกันน่ะแล้ในที่สุดท่านก็ได้ได้บวช บวดแล้วไม่กี่วันนะฮะก็บรรลุอรหัตเพราะบรรลุมาบรรลุระดับต่ำ ม, มาก่อนแล้วต่อมาก็เมื่อมีคนบวชเพิ่มขึ้นเนี่ยนั้นก็มีปัญหาว่าในครุธรรมแปดประการเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งว่าคนที่จะบวชเป็นภิกษุณีนต้องบวชสองครั้งมนผิดกับพ ร, พระพระนี่บวชครั้งเดียวคือบวชในในบทบวชใน่้ำกลางสงฆ์ก็ถือว่าเสร็จแล้ว แต่ภิกษุณีนั้นจะต้องบวชคือถามอะไรต่ออะไรในสำนักภิกษุณีให้เสร็จก่อนแล้วไปสวดยติจะตุจกรรมใหม่อีกทีหนึ่งในสำนักของพระคือพระจะสวดยติจะตุศกรรมเฉยๆแต่ถ้าหาก็ท่านทั้งหลายดูพิธีบวชนะฮะพิธีจากที่เจ้านากออกมายืนขยืนข้างนอกเนี่ยถึงตรงนั้นให้เสร็จที่ตรงนั้นนั้นถามในสำนักภิกษุณีทั้งหมดนะ คือตั้งแต่บรรพชาเป็นสามเณรีแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยจนมาภิกษุณีมาจนถึงจุดนี้แล้วก็ข้าไปถามซ้ําอีกทีหนึ่งในที่สงฆ์หยุดแค่นั้ น, นก็ถือว่าแต่สมาภิกษุณีก็ต้องสวดตลอดไปทีหนึ่งนะครแล้วก็มาถึงพระก็มาเริ่มจากจุดตัวเนี้ยจุดที่ภิกษุณีถามมาแล้วตรงนี้พระไม่ไปถามแล้วเป็นเรื่องของเขาแล้วก็จะสวดเรยกระยตะติจตุตตะรามให้อีกทีหนึ่งจึงจะบวชสมเ็จ ภิกษุณีรุ่นหลังก็ชักจะทราบพอสมควรเลยก็ไปคัดค้านรนางประชาบดีโคตมีว่าท่านไม่ได้บวชอย่างนั้นเพราะงั้นท่านใหม่เป็นภิกษุนีคือพวกลูกศิษย์นะชักจะก็น่าดูเหมือนกันแหละก็ในที่สุดพระพุทธเจ้าต้องรับสั่งว่าพระองค์เป็นอุปัชฌายะประงคงเป็นอาจารย์ของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเองแต่พระพุทธเจ้ารับสั่งให้บวชพิเศษองค์เดียวนะฮะ ส่วนสากิยานีอีก500นั้นให้บวชในสำนักสงฆ์เพราะตอนนั้นภิกษุณียังไม่มีก็เป็นการบวชที่ออกจะแปลกกว่าืึอนเราจะถือว่าเป็นเอหิภิกขุอย่างแนวพระสงฆ์ก็ไม่เชิงคือคือท่านบวชมาแล้วนะ่ะปัญหาเนี่ยท่านบวชมาแล้วก็มาถึงก็ยื่นข้อเสนอไปแข้อปฏิบัติได้ไหมท่านบอกว่าได้ได้ก็ไปเลยเป็นเป็นพระไปเลยเป็นภิกษุณีไปเลยแต่อีก500นั้นให้บวชในสำนักพระสงฆ์ ซึ่งก็เป็นการบวชแปลกในคราวแรกปพระจริงพระสงฆ์เองก็บวชคราวแรกก็แปลกเหมือนกันนะแล้วก็ผลงานของพระนางมหาวัชาวดีควรจะมีที่น่าศึกษาก็มีอยู่หลายเรื่องเช่นในด้านของพระวินยัยเพามันมีวินัยในห้ามพระเกี่ยวข้องกับภิกษุณีไปสาระคัดเลยจนถึงจุดหนึ่งเนี่ย ขนาดจะป่วยไข้เนี่ยคือห้ามพิชห้ามพระไปสู่สำนักของภิกษุณีเนี่ยวินัยมันก็คุมอย่างเงี้ยพอดีพระประชาพอดีครูเตมีท่านป่วยไปชวนแล้วหลานท่านเยอะในลูกหลานท่านเยอะที่เป็นพระอยู่จะไปเยี่ยมก็ไปไม่ได้เพราะวินายนห้ามไว้เลยพระพุทธเจ้าก็ต้องอนุญาตพิเศษคือในกรณีที่ภิกษุณีป่วยเนี่ยภิกษุไปเยี่ยมได้เพื่อกล่าวธรรมเพื่อแสดงธรรมเพื่อให้ กำบังใจงต่างๆได้นี่ก็เป็นเป็นการขอพอรของพระนางมหาประชาบดีโคตจะมีแล้วก็มีปัญหาหนึ่งที่เราเอามายกย่องเชิดชู ก, กันมากก็คือหลักตัดสินพระธรรมวินัยคือท่านเป็นผู้ใหญ่มองเห็นเหตุการณ์ได้กว้างไกลเขียนว่าในการพูดการสแสดงธรรมะกันในบางทีมันก็ยุ่งๆคือในหมู่ปุถุชนทั้งหลาย จึงกราบทูลถามที่จริงท่านรู้แะแต่ท่านก็กราบทูลถามเพื่อพระพุทธเจ้าวางเป็นหลักวางเป็นหลักเอาไว้ว่ามันมีมาตรการอะไรที่จะตัดสินว่าอะไรเป็นธรรมเป็นวิ น, นัยเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงหลักธรรม8ประการคือตัดสินว่าอะไรเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นคาสอนใดที่สอนไปเพื่อให้เป็นผู้มีความปรารถนาน้อย ไม่ปรารถนามากคือไม่อยากมากข้อ น, นี้จะมาพระนะฮะไม่ใช่ชาวบ้านแล้วคําสอนใดที่สอนให้สันโดษคือยินดีในของที่มีอยู่ของตนแล้วก็คําสอนใดที่เป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดจากกามเป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่คณะไม่ครุีด้วยหมู่คณะเป็นไปเพื่อความเพียรเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นไปเพื่อความวิเวกเป็นต้นเนี่ยจะถือว่า เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาถ้าคําสอนใดมันเพิ่มความกำหนัดกันเพลิงรุ่มหลงมัวมองครุกครีด้วยหมูด้วยคณะเราก็เป็นผู้เลี้ยงยากบำรุงยากเนี่ยไม่ใช่คาสอนในพระพุทธศาสนานีซึ่งเป็นหลักที่เราสามารถนําไปใช้จับอะไรก็ตามที่มีใครแสดงขึ้นในปัจจุบันหรือว่าในอนาคตก็ได้แร่ถ้าไมยุติด้วยหลักทั้ง8ประการนี้ก็ถือว่าไม่ใช่คาสอนในพระพุทธในในพระพุทธศาสนาก็เนื่องจากพระเถรีท่าน เป็นผู้เท่าเลยคแล้วก็เป็นองค์เดิมเป็นปฐมภิกษุณีแล้วก็อยู่ในฐานะเสมอพระมานดาของพระพุทธเจา้าเช่นเดียวกันจึงแล้วก็มีลูกศิษย์กอไม่ใช่ลูกลูกหลานก็บวชอยู่ใช่เราทำให้อยู่ในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลในหมู่ภิกษุณีทั้งหลายแล้วก็อยู่เป็นหลัก แล้วก็สามารถที่จะดึงเอาพวกนี้แหละพวกประนางพิมพ์พาหรือยโสธราเนี่ยเข้าไปบวชแล้วก็ดึงลูกสาวอีกคนลงไปบวชคือรูปปณันธาก็เรียกบวชกันหมดหมดทั้งวังเหลือพระเจ้าสุโทธทนะองค์เดียวพระญาติ่ได้ชิดพ ร, ระเจ้าสุโธธนะเองก็บรรลุอรหรันเป็นพระอรหันต์ก่อนจะคือตอนประชวนหนักพระพุทธเจ้าไปเฝ้ารักษาพยาบาลเองแล้วก็เทศสอนไปเรื่อยๆแนะนำไปเรื่อยๆให้อารมณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็บรรลุ อรหัตแล้วกรับกนิพพานแต่ว่ายังไม่ดันในบวตนี่ก็เป็นประวัติของพระหมหาปชาบดีโคตมีซึ่งท่า น, น, นหลายที่ได้ฟังเมื่อวันเสาร์ที่แล้วคงจะจับประเด็นที่เด่นอย่างหนึ่งก็คืออะไรฮะคือทั้งปรญญาโกลทัญญะและทั้งพระหมหาปชาบดีโคตมีนั้นเกิดพบพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันคือพระเจ้าปทุมุตระแล้วอยู่ในเมืองเดียวกันคือหังสาบดีนคร แล้วก็ฟังธรรมในพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันแล้วก็ตั้งความปรารถนาในตำแหน่งพ ร, ระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันหมดเลยแล้วถ้าเราไปดูทุกองค์เลยฮะจะเริ่มที่ตรงนี้ทั้งนั้นนอกจากภาษาริบุตรพระโมคคัลลานพระนางพิมพ์พาพระมหาโกจิตะซึ่งก่อนจากนั้นเพราะพวกนี้เป็นระดับใหญ่ระดับเขาเรียกว่ามหาสาวกอพระนอนอีกสององค์พระนวุฒิวนากับพระเขมาท่านเหล่านี้ใช้เวลาบำเพ็ญบา ร, รมีคือหนึ่งแสนนะฮะ หนึ่ง0ส0 0นึ่งแกับเมื่อวันเมื่อวันก่อนเนี่ยบอกเผลอไ <c> ป <ười> คือหนึ่งแสนสองหมื่กับสมบัตพระมหาสาวกนะฮะเอามาบอกว่าเสียสงไข่กับเลยมากไปวันพูดสับไปหน่อยออประเด็นที่น่าศึกษาประเด็นแรกท่านสงสัยคือคําว่ากลับมีคนตามมาถาม ถ, ามถึงกุฏิคำว่ากับนั้นมันก็ใช้หลายอย่างนะฮะกับแปลว่ากําหนดหมาย เช่นว่าผ้าของพระเราเนี่ก็มีวิกัปคือกําหนดหมายว่ามีเจ้าของสองคนเวลาระบวชเนี่ยพรผ้าส่วนหนึ่งจะต้องวิกัปคือกําหนดหมายว่าสองคนแล้วก็กับหนึ่งเป็นกับของอายุคือกําหนดเรียกว่าอายุขายในยุคสมัยต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้ารับสั่งแก่พระอานอนท์ก่อนตอนตอนตอ น, ตอนปรองประชนมาเยือสังขารใหม่ๆนะ่ะที่ว่า อธิบาตภาวนาที่บุคคลอบรมกระทาให้มากแล้วจเจริญสืบต่อกันไปนั้นจะทําให้บุคคล น, นั้นมีอายุถึงหนึ่งกับหรือเกินกว่ากับซึ่งหมายความมากลับอายุเท่านั้นนะไม่ใชพระพุทธเจ้าจะอยู่ถึงปัจจุบันนะคือคืออายุไขยุค ข, ของพระพุทธเจ้าก็ร้อยปีซึ่งอาจจะอยู่เลยไปได้ถึง120ปีแต่เท่าที่พบไม่เคยเกินร้อยปีมีองค์เดียวไดอายุร้อยหกปีคือพระผากรักองค์นี้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจ็บป่วยเลย ตลอดชีวิตเพราะว่าอา น, นิสงสนะ์ถวายยานะคถวายยาบำรุงก็มาหลายยุคหลายสมัยคนนี้ชอบถวายยานะแล้วก็ตาให้ท่านกลายเป็นคนไม่มีโรคตลอดชีวิตมีอายุต้องตัง160้งแต่ร6 0ปีคือตอนบวชอายุ80ปีแล้วบวช อ, อีก80ปีนี่ก็เรียกว่าพิเศษไปนะพิเศษไปแต่ว่ากับจริงๆคืออายุไขัร้อยปีสมัยพระพุทธเจ้าน เพราะงั้นถ้าพระพุทธเจ้าจะเจริญอิทธิบาทภาวนาต่อไปประคองสังขารร่างกายต่อไปก็ได้อีกยี่สิบปีไม่จะอยู่จนจนจ น, จนถึงทุกวันแต่นี้กลับอีกอย่างหนึ่งเป็นกลับโลกเป็นกลับคือเป็นเป็นอายุของโลกนี่มันนานคือสรุปมันนานท่านพูดโดยอุปมาพระพุทธเจ้าเองเวลารับสั่งก็รับสั่งโดยอุปมาคือคือมันมันคิดเป็นตัวเลขแล้วมันก็นับยากแล้นบอกว่า มันเหมือนกับมีกำแพงสี่สด้านนะฮะแล้วก็สูงกว้างยาวด้านละโยศเหมือนกันหมดแล้วก็ถึงร้อยปีจะมีคนเอาของเอ า, มาเมล็ดพันประกาศสมมุติว่าทิ้งแล้วมันไม่หายนะฮะเอาทิง100ท้ ง, งร้อยปีก็ทิ้งทีหนึ่งร้อยปีก็ทิ้งทีหนึ่งให้เต็มนั้นก็ยังไม่ถึงกลับคือแสดงวัานานานนะนานมากเลย เ, เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่การศึกษา ย, ยุคใหม่จะต้องพิสูจน์ทดสอบกันว่า เรื่องเหล่านี้มีข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนเพียงไรแต่ถ้าท่านลองสังเกตในเรื่องของโบราณคดีหรือประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมามื20กว่าปีกับปัจจุบันจะหลับฐานค้นคว้าทางนี้นะฮะจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วพบช้างซากช้างที่ปักกิ่งอายุตั้ง6ล้านปี8ล้านปีอะไรต้นไหนก็พบกันย้อนกันไปเรื่อยก็คงแสดงว่าโลกไม่ได้เกิดตามที่เราคิดเมื่อสมัยก่อนหรอกแต่ว่าตามศาสนาคิดมัน 6,000 กว่าปีตั้งเองฮะโลกเกิดมาในไรนั่นสร้างเรืมชื่อแล้ว ตอนตอนที่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้น ม, มาเนี่ยในคัมภีร์เบเบิรก็ประมาณห0พันกว่าปีแต่ว่าในพระพุทธศ า, าสนานนเกิดมานานแต่มันมีการเสื่อมมีการเสื่อมได้เป็นยุคเป็นสมัยทีนี้ในตอนต่อไปก็คือไอ้ฉันทะที่มีในใจของคนเรา น, น, นันก็เป็นเรื่องที่ออกจะแปลกนะฮะทั้งๆ ท, ที่ท่านก็อยู่ในสานักของพระพุทธเจ้า แต่ก็น่าจะฟังทำให้บรรลุมรผลไปในสมัยนั้นแล้ท่านเกิดนิยมเกิดชมชอบในตําแหน่งฐานะของภิกษุณีที่เป็นรัตนอยู่ซึ่งซึ่งมันใหญ่โตมากนะฮะตำแหน่งตําแหน่งเอตตะคะนี่เด่นดังไม่ใช่เล่นเพราะว่าเป็นการประชุมพระสงฆ์เป็นหมื่นหมืน่ะเป็นพันพั น, พนหมื่นหมื่นแล้วก็ยกประกาศขึ้นมาในถ้ำกลางสงฆ์นี่แล้วพระพุทธเจ้ายกย่องเองอ่ะเป็นตําแหน่งแต่งตั้งเอง ก็จะมีลักษณะที่เด่นก็ทําให้ท่านชื่นชมในตําแหน่งเหล่านี้แล้วก็ตั้งความปรารถนาที่จะได้แต่ความปรารถนานั้นให้ลองสังเกตว่าไม่ใช่ปรารถนาลอยๆแต่ปรารถนาและสร้างเหตุคือก่อนที่ท่านจะตั้งความปรารถนาต้องก็เริ่มให้ทานรักษาศีลบําเพ็ญเพียรตามสติกําลังของท่านทำไปนานระยะหนึ่งแล้วจึงไปตั้งความปรารถนาในพุทธสํานักเพราะรู้ว่าผลที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องของบารมี บารมีพูดง่ายๆนะครับคือการเก็บการสะสมความดีมันส่งกันข้ามกับอาสวะคือเก็บสะสมความชั่วเราเรียกว่าอาสวะมันก็เก็บอยู่ทั้งสองอย่างภายในใจเรานะบารมีก็เยอะอาสวะก็เยอะนะก็ขึ้นอยู่ <c oughs> กับว่าใครมีปริมาณมากกว่าพวกอาสวะมากๆก็ไม่ยอมเข้าวัดอยู่ตามบิก๊กพวกอาสวะน้อยนๆบารมีมากหน่อยก็มาอยู่ตามวัดบำเป็นเปลี่ยนไปมันก็เรื่อยๆซึ่งซึ่งจะเห็นว่าก็ ปริมาณของสิ่งทั้งสองประการนี้เราก็เก็บสะสมกันมาข้ามภพข้ามชาติกันมาเรื่อยๆพระมหาประชาบดีควรมีที่จริงแสดงให้เห็นถึงท่านมีบารามีบารามีมังกนที่จะทําให้เกิดฉันทะคือความพอใจในเรื่องนั้นแต่ท่านเดินสายธีบาทหมดนะฮะท่านจะเห็นว่าพอฉันทะท่านเกิดพอใจท่านก็วิริยะสร้างเหตุตั้งบุญสร้างกุศลแล้วก็เอาใจใส่สนใจวิมังสากิเหตุมีผลอยู่ตลอด ในสมัยของพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าปทุมุตระก็ทำมาอย่างนั้นตลอดเป็นการกระทาที่เรียกว่าสาตจักกิริยตาคือสือบต่อสือบเนื่องไม่ใช่อะไรนะเขาเรียกอะไรเทียวเทียววิ่งหยุดหยุดกระจงอะไรเนี่ยวิ่งวิ่งหยุดหยุดวิ่ ง, งหยุดยุดแตเเ่เป็นการกระทาในลักษณะที่สืบต่อและบารมีเหล่านั้นก็ไม่ได้หายไปไหนมันไปเก็บสร้างสร้างไอ พื้นฐานใจหรือแนวโน้มอัธยาศัยทางจิตใจที่ท่านเรียกว่าเป็นอธิมุตหรือเป็นอินทรีย์คือหลังจากผ่านพบชาติส่วนมากคนระดับนี้บาลีต่างใช้คําว่าเดวามนุษย์สุสังสารโดท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่านานเท่าไรก็ไม่รู้ว่าท่านข้ามพวดพวดมาถึงท่านลาวเป็นสาชาติตอนนั่นเองก็มาถึงชาติที่เป็นหัวหน้านางทาสีซึ่งเป็นที่น่าสังเกต และเราจะเห็นในความแตกต่างระหว่างบุคคลคนหนึ่งที่มันพร้อมทุกอย่างแต่ตรงไหนไม่พร้อมฮะทรัพย์พร้อมแต่ศรัท ธ, ธาไม่พร้อมท่านเศรษฐีที่ทรประปฏเจกับพุทธเจ้าไปหาท่านแรกทรัพย์อันไม่ไม่ต้องพูดคนไม่ต้องพูดนะแต่ศรัท ธ, ธามันไม่พร้อมศรัท ธ, ธาไม่ได้มีบุญมันก็ไม่เกิดดังนั้นเราเราเร า, เราลองดูตัวอย่างง่ายๆว่าเช่นเจตการจะให้ทานซึ่งเป็นบุญบุญเล็กมากที่สุดนะเป็นบุญที่ทําง่ายที่สุด ถ้าองค์ประกอบมันไม่พอเราก็ทําไม่ได้บางทีศรัทธามีทรัพย์ไม่มีบางทีทรัพย์มีศรัทธามทไม่มีบางมีบางทีก็ไม่มีทั้งสองอย่างนะบางทีมีทรัพย์มีแยะแต่ศรัทธาบ้นอ่อนก็ทําได้นิดหน่อยแต่เช้าเช้าก็ไอ้ความเสน่ห์เกิดขึ้นล้มทับศรัทธาหายหายไปเลยก็ทำไม่ได้ยกยอดไปวันหลังต่อไปอนี่มันก็สู้กันแยะนะภายในสนามใจเราเนี่ยซึ่งถ้าเราลองวิเคราะห์ตัวเองแล้วไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายแต่ละอย่าง ท่านเศรษฐีนี้ทรับพร้อมบุคคลพร้อมอะไรพร้อมหมดศรัทธาไม่มีก็บัดไปนะเพราะทั้นอ้างไม่มีเวลาอ้างธุระนี่เขาอ้างกันมานานแล้วนะที่จริงไม่มีเวลาไม่มีธุระยุ่งมากเกินเนี่ยก็อ้างกันมาได้ทีนี้เราดูถึงนางฐานสีซึ่งท่านจะเห็นว่าที่จริงฐานาคนคของท่านนั้นไม่พร้อมในะในด้านทรัพ ย, าาเย์เนี่ยแต่ศรัทธาท่านเปี่ยมล้นมากเกินเห็นพระข้าไปแล้วก็ออกมาอย่าลืมว่าไม่มีการเทศการสอนธรรมานะยุคสมัยอย่างนั้นเนี่ย ยุคสมัยอย่างนั้นไม่มีการเทศการสนธรรเขาเรียกว่ายุคว้างศาสนาเพราะอะไรเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีการเผยแผ่พระธรรมแต่ว่าคนที่มีพื้นอัธยาศัยเนี่ยพื้นบา ร, รมีที่ามาเ ค, เคยเล่าให้ฟังไว้ตัวการสําคัญเนี่ยคืออินทรีย์เนี่ยอินทรีย์ที่แก่กล้าสต้าเบริยสติสมาชี ป, ปัญญาและอธิมุตคือพื้นพื้นของอัธยาศัยที่มันฝังลึกอยู่ภายในจิตใจพอมีกระตุ้นมันก็ขึ้นไป มันก็แล้วแต่นะฮะซึ่งท่านจะเห็นว่ามันกระตุ้นอะไรกระตุ้นอาสวะหรือกระตุ้นบารมีออกไปสมมติว่าเราเดินผ่านโรงสนามมวยรชดับเนินก็ได้นคนที่ที่มีอาสวะมากมันกระตุ้นพวดมันก็ลงจากรถไปเข้าสนามมวยคนที่มีบารมีมันกระตุ้นเหมือนกันโหน่าสงสารจริงๆคนเหล่านี้ทำไมมาปล่อยเวลา ไอ้มัวเมาอยู่ในอบายามุกมันเกิดครับบารมีมันเกิดทั้งๆที่ตัวกระตุ้นกระตุ้นคนละอย่า ง, างเดียวกันนะแต่ว่าพื้นใจคนคนคนละอย่างกันมันกระตุ้นออกมาได้คนละอย่างกันเศรษฐีกับนางหัวหน้าทาสีนั้นเราเห็นได้ชัดมากว่าเห็นพระปัิเจกับพระพุทธเจ้าด้วยกันแล้วก็นางทาสีเสียเปียกนะพระปฏิจเจกับพุทธเจ้าไม่ได้ไปขอหัตถกรรมจากท่านไม่ได้ไปขออุปถัมภ์จากท่านแต่ท่านกลับ ยืดมือเข้าไปหานั่นอะไรฮะนั่นคือตัวบา ร, รมีซึ่งฝังอยู่ภายในมันพอได้เห็นพระมันก็กระตุ้นออกมาทําให้เดินหน้าไปก็เข้าไปเรียนถามสอบถามเกิดความสงสยัยข้าไปเรียนฐานสอบถามแล้วพอเห็นอย่างนั้นมันก็มีอะไรมีความสงสารด้วยมันมันมันเกิดความสงสารขึ้นด้วยว่าโถเอ้ยพระท่านขอไอก็ต๊อบมันกระตอบเล็กๆอะ่ะไม่มีอะไรไม่มีกิจตังไม่มีเงินดเลยม้ในป่ามาทําเล็กๆก็อยู่กันสามเดือนแต่นั้นเองฮะเพราะนี้ ต ร, ตรงประเด็นตรงนี้นะฮะก็อยากจะบอกโยมให้รู้ไว้อย่างหนึ่งคนบางคนแม้ในวงการศึกษาเองนะฮะจะไปพูดยกย่องพระบางองค์ว่าอยู่ก็ตอบไม่มีอะไรมีแต่หลังคาท่านเดงฟ้าก็ไม่มีท่านนอนตรงตากลมแหมท่านเคร่งเหลือเกินอันนี้ไม่เคร่งวินัยนะฮะไม่มีวินัยเลยนะอยู่อย่างงั้นไม่ได้อยู่อย่างนั้นได้เฉพาะเวลาไปบําเพ็ญกรรมาฐานเท่านั้นแต่พระเราจะต้องอยู่ที่มุงที่บางมีประตูหน้าต่างเปิดปิดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในพรรษาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพุทธประเพณีเลยถ้าสายของร พ, ราาพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากอดพระบัจเจ้าพุทธเจ้าสายเดียวกับพระพุทธเจ้านะฮะสายเดียวกันพระบัทเจ้าพุทธเจ้าเออพระพุท ธ, ทธเจ้าพระบาทเจ้าพุทธเจ้าพระอรหันต์และพุทธสาวกทั้งหลายจะต้องเดินในสายนี้สายเดียวกันไม่ไม่ใช่เรื่องใครจะบัญญัติอะไรเป็นเรื่องของญาณความรู้การจะอยู่จําพรรษาถ้านอกพรรษาแล้วก็ได้นะนอกพรรษาได้ เวลาไปจาริกไปทุู ด, ดงอยู่ตามเรือนว่างอยู่ตามอะไรท่านจนพรรษาแล้วไม่ได้เลผิดวินัยจมเลยวินัยยเยอ ะ, ยอะแยะเลยนี่คือปัญหาทางวินยัยที่ชาวบ้านส่วนมากเราไปชื่นชมโดยเราไม่รู้นั่นที่จริงมันผิดวินยัยไม่ถูกวินยัยถ้าไปจําพรรษาในที่อย่างนั้นล้วไม่ได้ไมาตรามีข้อห้ามเยอะในถ้ำก็ยังจําไม่ได้พรรษาเนี่ยในถ้ำต่อไม้ก่อนเมืองแขกนี่ในตุ่มถ้าท่านไปที่นารันทาจะเห็นตุ่มแขกเบลลมมาใหญ่กล้าไปอยู่จำพรรษาไม่ได้ พวกนักบวชบางพวกเข้าไปอยู่จำมันสะาในตุ่มเพราะมันอุ่นดีนะข้าไปนอนอยู่ข้างในนั่นะ่ะเวล า, าหนาวๆอะแต่ว่าในพระวินัยแล้วห้ามไม่ให้ข้าไปอยู่ตรงนั้นพระประเจกับพุทธเจ้านั้นจารีดเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจึงไม่ยอมอยู่ที่จริงท่านอยู่ที่ภูเขาขันตมามันก็มีถ้ำแต่ก็อยู่ไม่ได้เพราะมันมั น, ม, นมันในแง่ของพระญาณท่านรู้ท่านรู้เหมือนกันกันกบที่พระพุทธเจ้ารู้หรือพระอาจารย์ทั้งหลายรู้แต่ก็จําเป็นเี่ยต้องขอหัตใกรรม แล้วก็ในเงื่อนไขาทางวินยัยพระเจ้าเปิดกว้างไว้นะ่ะต้องขอหัตถกรรมจากชาวบ้านหรือขออุปการะจากชาวบ้านเขาถ้าชาวบ้านไม่ช่วยจริงๆมันหมดหนทางจริงๆแล้วพวกเธอทาเองเลยแต่ต้องหาแอร์ที่อยู่ให้ได้ให้มีประตูหน้าต่างเปิดปิดให้ได้ในฤดูภรรษาอันนี้ถ้ามองในแง่ของหมอแล้วเห็นได้ชัดนะว่าในพรรษาประเทศอินเดียนี่มันทั้งหนาวทั้งลมแล้วมันยุ่งจังเลยนะฮะถ้าพลาดขืนไม่จำพรนสาอย่างนั้นนะคงจะเป็นโรคอะไรไม่รู้หมอของรู้ นะแต่ก็จะดูว่าเป็นโรคฮคะเรียกสาระธาะดูสารทธดูนี่มันโรคมากแล้วเกินนะโรคเนี้ยในอะไรอ่ะเดือน8ครึ่งถึงเดือนสิถ้าอินเดียแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นได้ชัดว่าอยู่ไม่ได้นี่ก็พระพุทธเจ้าท่านก็มองในแง่ทางกายด้วยไม่ใช่มองแง่วินัยอย่างเดียวแต่แง่วินัยก็คือวินยัยทีนี้นางทาสีนั้นโตกล้าหาญมากนะว่าจริงก็ไปรับปากปรปากระป๋า แล้วก็พระม า, ะ ม, ามากท่านด้วยพระปเจกัพุทธเจ้าพระปเจกัพุทธเจ้าในโปรดรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าเป็นคนที่มีบา ร, รมีนะมีสิ่งมันก็ตุ้นจากข้างนอกเห็นใบไม้ร่วง ม, มาได้ท่านพิจารณาเห็นตามใจรักและบรรลุออเดือดเองครเพราะเป็นคนที่มีบา ร, รมีอย่างที่ว่ามาแล้วบา ร, รมีท่านมากมากแต่ว่าท่านพวกนี้จะต้องเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆนี่เรียนจากธรรมชาติทั้งหมดไม่ว่าใครก็ตามเรียนจากธรรมชาติทั้งหมด แต่มันเกิดคิดขึ้นเองบารมีที่อยู่ข้างในเนี่ยมันขึ้นมาเองคนอื่นคิดไปอย่างนะท่านอีคิดไปอย่างนะอย่างที่เคยเล่าข่าวฟังว่าองค์หนึ่งเป็นพระราชานี่ยเก็บมะม่วงคนอื่นเห็นว่าพระราชาเก็บมะม่วงได้ก็เก็บด้วยเลยมะม่วงเลยเละหมดเลยมามองอีกต้นหนึ่งซึ่งไม่มีลูกอยู่สบายพอมีลูกแล้วก็ถูกทําลายท่านก็มองอะไรเชื่อมโยงไปหมดเลยแล้วก็จเจริญมนิพพานศสนาบรรลุอรหันต์ นี่คือปัจเจกพุทธเจ้าปัจเจกปฏิคือปัจจารู้เฉพาะตัวนะฮะรู้เฉพาะตัวคำนี้มันมาจากปฏิก็แปลงปฏิเป็นปัจจะเรียกปัจเจกปฏิแปลว่าเฉพาะะที่เป็นอุปสรรคท่านที่เรียนภาษาไทยมากรนึกอกเอ่อแล้วในาที่สุดก็มีเขาเรียกว่า A A A อะไรนะคนที่มาร่วมกันนะคนที่มาร่วมกันคือ ไอศรัทธ า, า, าสมาสีแลสมาจารคสมาปัญญาสมาคือให้พูดพวกนี้ศรัทธาศีจารคปัญญาเนี่ยมันมันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันคือพูดกันเข้าใจเป็นที่น่าสังเกตว่าคนตั้งเท่าไหร่ก็เรียกว่าก็ไม่นอกก้อยกว่าพันคนนะฮะคือทั้งสามีทั้งปัญญาก็อาจจะลูกๆตต้าอะไรแต่ไรเนี่ยหัวหน้านางทาสีพูดชี้แจงเรียกสามีมาแต่ก็ท่านก็พูดมีวิธีพูดนะฮะท่านเอานารกมาผูกด้วยนะไม่ไม่ได้ทํำหุนทํากุศลท่านมันมีวิธีฉลาด แล้วก็อธิบายจนผู้ชายยอมทิ้งงานเพื่อตัวเองทั้งหมดมาช่วยกันสร้างกุจิถาวายประปอบเตกับพุทธเจ้านี่ก็อะไรที่เป็นเครื่องช่วยทางก็บารมีอีกแหละเพราะไม่ได้มีใครสั่งสอนอะ่ะไม่ได้มีไม่ได้มีการเทศไม่ได้มีการปฏิสถานาศาสนาแต่ท่านก็เกิดแหลมขึ้นในหมู่ของนางธาสีถึงเป็นธาสีก็เป็นยอดของธาสีเป็นหัวหน้าธาสีทีนี้เป็นยถาสติยถาพลัง คือทําไปตามตา ม, ตามฐานะตามกําลังของตัวเองการบังลุงโดยพระตาหานก็บังลุงธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีเรื่องลึกซึ้งอะไรแต่ย่าลือมาเจตนาเนะี่ยเจตนามันประณีตไอ้วัตถุจะประณีตหรือไม่ประณีตนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเจตนาต้องประณีตแล้วผลอานิสง์ก็มากเองปัญหาสําคัญว่าบางทีวัตถุประณีตแตเจตนาไม่ประณีต ของการจะประกวดประขันกันนะฮะยังอาตมาอยู่ต่างจังหวัดมีโยมอยู่สองหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ขำก็ขำยังนึกขำอยู่วางไปแต่ตอนตอนนี้เขาตายกันหมดแล้วทํากับข้าวก็ได้แกงเวนนะพระที่วัดอามาในรรษาวัดวัดบ้านนอกนะบางปีตั้งห้าสิบหิไม่ใช่ธรรมดานะมันมีคนเลี้ยงไม่ไหวหรอกบินาบาตดก็ได้ไม่พอฉานะตอนเพลินคนก็มาเลี้ยงกันคือคนบางคนนี่ ต้องการเอาชนะเพื่อนในได้บางทีมันก็จับคู่กับคนละหมู่บ้านนะส่งคนไปสืบก่อนหน่อยบ้านโน้นจะทํากับข้าวอะไรสืบก่อนแล้วต้องทําให้เหนือกว่าลงทุนเท่าไหร่ก็ตามขอได้หน้าแต่นั้นเนี่ยขอให้ชนะฮะแล้วมาถึงก็เปิดหม้อเพื่อนดูก่อนนะฮะแล้วมาอวดตัวเองแล้วก็ตักก็เอาถ้วยเอาอะไรแต่อะไรมตาตักเคียงกันม่ายฮะมันเอาหน้ากันเฉยๆนั้นมันวัตถุเป็นระนี้จริงแต่ว่าเจตนามันเป็นอวดนะฮะเป็นอวดสมมติว่าเราคิดว่าจะทํากับข้าวมนได้ดีกว่าเขาพเปิดดูของขอ ง, ข, ของเขาดีกว่า ตัวเองก็เกิดโทมานะเสียใจแล้วเลยเล ย, เลยบุญกุศลมันไม่ค่อยเกิดมั น, ม, นมันมีอะไรบางอยู่เยอะบุญไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันมีพวกมานะความแผ่งดีความอวดดีจะตลอดถึงความโทมานะเสียใจเป็นต้นเนี่ยมันครอบงำใจอยู่แต่ว่าท่านหัวหน้าทาสีนี่ท่านทำตามปกติธรรมดาของท่านแล้วก็ผ้าก็มีดีไม่ดีนะฮะแต่อย่าลืมเจตนาประณีต ประนีตเนีย่ยเป็นหลักสําคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีซึ่งท่านทําบุญมากนะฮะต่อมาท่านก็ทราบสมบัติมาเกิดสูญหายไประยะเวลาหนึ่งพระพุทธเจ้ายังรับสั่งถามว่าเป็นไงเดือนนี้ที่บ้านยังเลี้ยงพระอย่างเหมือนเดิมเหรอท่านบอกว่าเหมือนเดิมแต่ก็ทําเหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่าเงินทองมันร่อยหรอลงไปพระพุทธเจ้าบอกไม่เป็นไรหรอกวัตถุนั้นจะประณีตหรือไม่ประณีตไม่สําคัญแต่ให้เจตนาประณีตไว้คือตั้งใจจริงๆอะ่ะ ตั้งใจที่ให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลจริงๆตั้งใจทําบุญจริงๆไม่ต้องการจะแข่งใครใครจะทำอะไรก็ทําไปเป็นเรื่องของเขาแต่เราต้องการจะเสียสละโดยเห็นว่าการให้ทานเป็นการดีแล้วเราก็ให้ไม่ต้องไปอนั่งกังขอบก็อะไรเ อ, อ้คนโน้นก็แหมก็ทำตั้งห้าร้อยเราทำร้อยเสียเหลี่ยมไม่ได้หรอกฮะไม่ต้องแข่งไปเดีย้ยงปลาเดือนยุ่งเือทํากันไปธรรมดาธรรมดาเนี่ยตามสบายๆเรื่องนี้อจะ อย่าลืมในตรงนี้ฮะที่ท่านบอกว่าให้คำหนึงถึงกำลังศรัทธากำลังโภกฆ่ากำมังศรัทธากำลังโภคะเรายะถาสติยถาพลังอโบราณเนี่ยเขาพูดบ่อยยถาสติยถาพลังสติคือศักฐานะของเรานะฮะพลังก็คือกำลังกำลังอะไรกำมังทรัพย์กำมังศรัทธาเราอย่าไปแข่งอะไรกับใครทำไปให้สบายเพราะบุญจะต้องออกผลมาเป็นความสุขใจไม่ทำแล้วนอนมือกายหน้าฝากไอ้ยางตั้งหลายวันเนี่ยสิ้นเดือนยุ่งอะไรอย่างนี้ยจะยืมใครที่ไหนเนี่ยนี่เนี่ยก็มีปัญหา อันนี้นี่นี่คือหลักที่โบราณบัณฑิตท่านทำมาท่านก็สืบต่อกันมาอย่างนี้แล้วสิ่งที่ท่านทำมาเอาผ้าเอาอะไรตัว อ, อะไรมาเย็บนะก็คงจะทําไม่ได้จะทําเย็บจีวรถวายพระตั้ง500องค์เนี่ยคงจะสู้ไม่ไหวก็เอาผ้ามาติปะต่อเย็บถวายไว้หัวหน้าสามองค์นั่นเองนอกจากนั้นก็เป็นผ้าอาบน้ําฝนไปซึ่งจะเห็นว่าท่านทําตามศักดิ์ของท่านแต่ถ้าท่านรวยานาด จ, จะถวายจีวรได้ทุกองคก็ได้แต่นี้ก็ท่านท่านก็เป็นทาสีท่านนั้นเองเป็นหัวหน้าทาสีท่าน นั่นก็ทําไปตามศักดิตามฐานะของท่านแต่ว่าเจตนาของท่านดีตลอดเจตนาที่บริสุทธิ์แล้เป็นยยหยาดเงินแรงงานจริงๆเลมันก็ส่งผลให้บังเกิดในสุขติมันก็คือเป็นการเพิ่มบา ร, รมีอีกชาติพอต่อมามาเกิดเป็นธิดาทองเศรษฐีฐานะมันก็สูงขึ้นนะฮะก็ทําอะไรได้ดีขึ้นก็อีกพราะพระปัะเจบพุทธเจ้าอีกซึ่งแปลกซึ่งแปลกมากว่าเฉพาะประวัติที่ท่านยกมานะฮะก็เพระพระปัะเจบพุทธเจ้าคลาั่งเดียวเท่านั้นเอง แต่คงจะพบหลายครั้งลเพราะมันม น, มนานนันเลยเนะ่ไอเรื่องการยกมาเนี่ยท่านยกมาเฉพาะที่เป็นเหตุปัจจัยให้เรามองภาพปัจจุบันได้ชัดเท่านั้นก็แล้วแต่ท่านจะยกมาตรงไหนตัวนี้ท่านก็สร้างสมบุญกุศลเพิ่มขึ้นทีนี้พอมาตอนสุดท้ายก็มาเกิดที่เป็นคาติยานีในโกรยสกกุลนะฮะก็ตัดตอนมาถึงที่ว่า ท่านมาชื่นชมยินดีในพระโพธิสัตว์จึงจะเห็นได้ว่าเป็นแม่เลี้ยงที่พิเศษมากนอกนอกรูปแบบเป็นแม่เลี้ยงที่นอกนอกฟอร์มนอกฟอร์แม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงไปหน่อยจะเป็นแม่เลี้ยงตัวอย่างคือแทนที่จะไปธนุถนอมเอาใจลูกตัวเองคือกลับธนุถนอมพระโพธิสัตว์มากกว่าลูกของตัวเองเหตุผลนั้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายเลือดนั้นอย่างหนึ่งและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพี่สาวตายนะครับ พี่สาวตายไปแล้วก็ยังเหลือหลานชายก็กําพร้าเจ็ดขวบไม่ใช่เจดวันแต่นั้นเองและอีกประการหนึ่งที่สําคัญเนี่ยครับคือเป็นความหวังของราชวงศ์ทั้งสองใน เ, เจ้าชาตธิตาะนั้นเป็นความหวังของราชวงศ์ทั้งสองเพราะงั้นท่านเลี้ยงด้วยตัวของท่านเองแต่ว่าลูกชายกับลูกสาวนั้นให้พระธาตศรีเขาเลี้ยงพระสนมเขาเลี้ยงท่านเลี้ยงท่านท่านุ ท, น, ท, น, ท, น, ท น, อนอมประคบปร ะ, ปร ะ, ประ ง, งมมาด้วยตัวของท่านเองจนเจ้าชาตธิตาะเจริญเติบโตไปโดยลําดับ ทีนี้จากการบวชเนี่ยที่ว่าหนีไปแม่นะ้ำมโนมานาทีอะไรเนี่ยมันก็พบรุ่นอัตกถานะในในพระบาลีจริงๆที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าจริงๆไม่ใช่เป็นอย่างนั้นะ่ะเมื่อเรายังเป็นหนุ่มเกษายังดำสนิทอยู่ในขณะที่มารดาบิดาร้องไห้อยู่เนี่ยเราได้โกนผมนุ่งผมผ้ากาตายะ แล้วก็ถือเพศเป็นบบประชิตออกบวชซึ่งซึ่งหน้ากันเลยแล้วก็พ่อแม่ก็นั่งเห็นเป็นพยานเนี่ย ท, ที่ที่รับสั่งเล่าเองนะแต่ว่าเราก็มาถือกันในประเด็นเนี้ยมากประเด็นที่ว่ามีนาชนะตามสเสด็จเนี่ยออกแม่น้ำันโดมาในชีนี่แต่ว่าเองยังไม่เคยพบชั้นวาลียยังไม่เคยพบชั้นวาลีพบแต่นายชนะเล่าพระชนะเล่าแต่ที่พระพุทธเจ้าเล่าก็ไม่ได้เล่าอย่างนั้นเอ่อ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้นะฮะอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันคือหมายความว่าตอนบวชนั้นก็ตัดตรงนั้นแหละแล้วก็ขึ้นม้ามีนายชนะตามเสด็จไปอาจจะเป็นเรื่องเดียวแต่เล่าคนละตอนก็ได้ต่อมาก็คือการเสด็จมาโปรดพระญาติของพระพุทธเจ้าตรงนี้ที่จริงก็มีปัญหานะฮะมีปัญหาที่คนในยุคหลังเด็กสมัยใหม่นี่เขาก็บอกพระพุทธเจ้านี่ไม่มีความกตัญญูศัสรู ต, ตั้งนานแล้วปล่อยให้พระราชบิดาส่งทูตไปเชิญเสด็จ คือพระพุทธเจ้านั้นเราคิดแบบเราไม่ได้หรอกถ้าเราคิดแบบเราเราไม่มีโอกาสเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องไม่คิดแบบคนธรรมดาคิดพระพุทธเจ้าจะทำเขาเรียกว่าการณวสิกกคืออยู่ในอํานาจแห่งเหตุจะทําจะเสด็จไปโปรดสัตว์ตามอํานาจของบา ร, รมีคนเหล่านั้นคล้ายๆกับผลไม้ผลไหนที่มันจะหล่นมันก็หล่นน่ะคือถึงเท้าหล่นมันก็หล่นไม่ใช่ไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปซอยมันก็ดูว่าใครมีบารมีมากกว่าก็ไปที่นั้น ถ้า ง, งั้นก็ไม่ต้องโปรดพระปัญญวคิคีก็ต้องไปเข้าวกรุงบิณฑบัตเสีก่อนแต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นการณวสิโกใครมีบรารมีถึงเพราะตอนใกล้รุ่งพระองค์ัวดูสัตว์โลกก่อนนก็ดูสัตว์โลกใครปรากฏในข่ายพยานเสด็จไปก่อนเสด็จไปตามลำดับก่อนหลังเป็นโลกาโน ก, กรรมปโกเป็นการอนุเคราะห์โลกไม่ใช่เรื่องของครอบครัวแล้วคนระดับพระพุทธเจ้าคิดครอบครัวไม่ได้หรอฮะเมือ่อคนเี่เป็นรัฐบาลนะคิดว่า สมัครผู้แทนมาแล้วก็ได้ผู้แทนแล้วเราจะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนมีเงินหนาไห้กระทรวงนี้เนี่ยไอ้นี่ไม่ได้ละคนอย่างนี้บริหารบ้านเมืองไม่ได้รละมันต้องข้ามหัวตัวเองพ้นอย่างที่บอกเนคือต้องคิดว่าชาติบ้านเมืองจะได้อะไรไม่ใช่ว่าเราจะได้เป็นอะไรชาติบ้านเมืองจะได้อะไรจากการเป็นก็เราจากการกระทํางานของเราเราต้องคิดได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้านี่คิดว่าโลกจะได้อะไรไม่ได้คิดว่าพระราชบิดาจะได้อะไรพระราชบิดานั้นยังไม่ถึงเวลานี ก็ปล่อยให้เชิญนิมนต์อะไรก็อะไรก็ไม่เสด็จอ่ะเพราะอยู่ในการณะวสิโกคืออยู่ในอำนาจแห่งเหตุแต่ถึงคราวเสด็จก็เสด็จดวงรู้ไปเอาจริงๆก็เอาไม่ได้อ่ะว่าแล้วขนาดว่าถึงคราวจะเสด็จนี่ต้องทรมานกันต้องใช้อภินิหารลอยขึ้นไปบนอากาศไปจงกรมอยู่บนอากาศไอ้คล้ายๆกับโรยฝุ่นทุลีจากพระบาทบนหัวพระญาติอ่ะคือพือพวกนี้เบ่งได้เกินอำมาจจัดอ่ะพวกศักยะเนี่ย มานะจัดเป็นตายพระมานะไปตั้งเยอะแยะปีสุดท้ายนี่ก็ตายพระมานะตัวเดียวพวกนี้ก็ยันเทมาบอกแล้วว่าราชวงศ์ของพระเจ้าเนี่เป็นกษัตริย์ที่สูงสุดในหมู่กษัตริย์ทั้งหลายเพราะเป็นสุริยโพธิ์หรือสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์นะครัว่าอย่างนั้นแล้วก็ถือกันอย่างนั้นเพราะงั้นทําให้พวกนี้มีมานะจัดมากทีนี้ประเด็นต่อไปนั้นคือการที่พระประชาบดีโคจะมีท่าน ขอบวชนะฮะขอบรนประชาเป็นสามเณร น, นี้ที่จริงนั้นท่านทั้งหลายได้โปรดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นจะทําตามแบบของพระพุทธเจ้าอะไรก็ตามฮะอย่างว่าเสด็จพระที่กรุงกบิลละพัฒน์ปั๊เนี่ยรุ่งคืนเช้าจะไปเสเวยในวังหรือเปล่าเพราะพระเจ้าตั ต, ตนะท่านคิดว่าลูกชายมาที่บ้านเราไปถึงเข้า ว, วังก็สั่งเตรียมอาหารใหญ่เลยโดยไม่นิมนต์ไม่นิมนต์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ ดูว่าพระพุทธเจ้าในอดีตนี้ท่านทำยังไงเมื่อเสด็จเยี่ยมวังพระราชบิดาเนี่ยกบิณตบัต์ก็บิณตบัต์ก็บินต บ, บัตบ์พระเจ้าถุถุตนะสัส่งเตียมอาหารกันเลยค้างเตี๊เพราะไม่รู้ธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าพระนั้นเขาไม่นิมนต์ไปฉันยังไงเลยก็นี้ก็คือคือธรรมเนียมแต่ว่าการนิมนต์พระนันก็มีอีกแนวนะฮะเขาไม่รับคำแล้วก็ก็นั่งเฉยๆก็แสดงเขารับแต่ถ้าไม่รับก็คือจะบอกบางทีนี่ก็โยม ไม่ค่อยจะเข้าใจเหมือนกันเรื่องเหล่านี้เพราะเราถือจารีตตามที่พระพุทธเจ้าท่านถือมาก็การเทศโปรดในคราวแรกนะก็มีลักษณะที่สร้างความชื่นชมยินดีนะก็ได้บรรลุมรคผลการแต่โดยเฉพาะพระปชาบดีโคตมีนั้นก็บรรลุในตอนหลังตอนตอนตอนเสด็จรู้สึ ก, กเสด็จมาคาที่สอง าการที่พระพุทธเจ้าไม่ให้เป็นภิกษุณีในคราแรกเพราะจารีตคือพุทธประเพณีเขาเรียกพุทธประเพณีประเพณีของพุทธเจ้าทั้งหลายนี่เป็นยังไงคือต้องดูเงื่อนไขเสก่อนเพราะทรงชี้ให้เห็นและจากประเด็นนี้จากจากประเด็นที่พระนามมหาประชาปฎิควจะมีขอแล้วข้ออีกขอแล้วข้ออีกเลยก็ตัดสินว่าไทยปรงพระเกษาเลยนะเชืใช้มาตรการจะออกจดอะไรเดินกระบวนเหมือนก็บเดินกระบวนเมื่อวานเนี่ย น, นั่นมันเดินกระบวนเตรียมกันขึ้นมาอันนี้มันเดินกระบวนที่เกิดด้วยศรัทธาท่านก็ไปประทํานองที่ว่าถ้าไม่บวชก็ก็ไม่ไปไหนอซึ่งแน่นอนว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องให้บวชในแง่ของเหตุผลพระพุทธประเวณีป ร, ประเพณีนะ่ะคือมันมีมาอย่างนี้มีพิกษุปิกษุนีอุบาสกบาจิกามาอย่างเนี้แต่ว่าการที่ จะให้พิกซินซุนีบวชง่ายๆเนี่ยมันมีปัญหานะฮะโยมโยมตั้งหลายที่เป็นผู้หญิงส่วนมากและจะไม่ค่อยพอใจพระพุทธเจ้า ก, กีดกันคือไม่จะกีดกันฮะมันมีปัญหาถ้าเราไปดูในวินัยยมุกเล่มสามเรเอามาอ่านดูแล้วปัญหาจังเลยปัญหาจังเล ย, เลยไม่ต้องดูอะไรดูสำนักชีบางแห่งในปัญหาจังทะเลาะกันนะสำนักชีบางแห่งชื่อว่าสันติสุขไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นทั้งสุขไม่เป็นทั้งสันติเลยมีแต่ทะเลาะมันมีปัญหา ดังนั้นวิธีที่จะให้รู้สึกทนุถนอมสิ่งที่เราได้มาเนี่ยต้องให้เห็นว่าสิ่งนั้นยากได้มายากจึงจะเกิดการทนุถนอมนี่คือคือคือสร้างเงื่อนไขในครั้งแรกเลขอีกอย่างหนึ่งนั้นโดยเหตุผลว่าตรงนี้แหละ ท, ท, ที่ที่มีปัญหามาจนคริตเอาไปปรุกระดมตรงเนี้ยเหตุเกิดตรงเนี้ยแล้วก็พุทธดํารัสในเรื่องนี้ตอนร่างโดนใบเฝ้านี่ยนะพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าอานุ์ มันเหมือนกับครอบครัวนะถ้าผู้หญิงมากผู้ชายน้อยแล้วเนี่ยมันมีอันตรายได้ง่ายพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันคือถ้าภิกษุณีมากภิกษุน้อยเนี่ยมันจะรักษาศ า, าสนาไว้ไม่ได้สมมติว่าศาสนาจะมีอายุสักพันปีเนี่ยแต่ถ้ามีภิกษุณีบวชมาแล้วจะมีอายุเพียงห้าร้อยปีแต่เพื่อจะป้องกันเรื่องไม่ให้เกิดขึ้นก็ต้องตั้งเป็นครุธรรมขึ้นมา ตั้งเป็นคารู้ธรรม8ประการขึ้นมาเนี่ยคือเป็นเป็นพระพเจ้าพูดสมมุติอะสมมติเอาว่าสมมติว่าพันปีเนี่ยแต่ถ้ามีพิกฆณีบวชจะมีอายุเพียง500ปีแต่เพื่อจะไม่ให้เกิดเช่นนั้นขึ้นมาก็ต้องวางเป็นคารธรรม8ประการขึ้นเพื่อเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยคำพูดอย่างเนี้ยแล้วก็เล่นลิ้นกันแล้วคนไทยก็สืบต่อกันมาพอถึง 2,500 ปีพระพุทธศาสนากึ่งพุทธกาลแล้วไม่ก็ยุคไหหมดเลยคือเป็นคําพูดอุปมาเท่านั้นนะฮะ อุปมาให้ฟังต่นนั้นสมมุติว่าอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะตั้งคารู้ธรรมแปดประการขึ้นเป็นหลักในการปฏิบัติแล้วคารู้ธรรมแปประการว่ากันตามความเป็นจริงนะฮะมุ่งลดมานะมุ่งลดมานะของพิกษุนีพิกษุนีบวชตั้งร้อยปีเนี่ยฮะต้องไหว้พระคือเป็นเป็นพระเถ ร, รีในฐานะของพิกษุนี แต่สมัคกับพระแล้วกลายเป็นคล้ายๆกับอนุบาตสัมปันไปคือต้องไหว้พระแม้จะมีพรรษาตั้งคือบวชวันนั้นเลยต้องการอะไรต้องการลดมานะเฉยๆต้องการลดมานะคนเราก็ไม่เบาเหมือนกันแนะนนถ้าขึ้นไปใหญ่ๆบางทีก็ลืมลืมไปหรือว่าในการบวชเนี่ยต้องบวชจากสงฆ์สองฝ่ายขนาดบวชโ ด, ดยสงฆ์สองฝ่ายถ้าเราไปดูในวินยัยเนี่ยมันหลุดเรื่องยุ่งกันมาเยอะแยะเหมือนกั น, นต้องช่วยกันกันกลอง ช่วยกันกันกรองบุคคลทั้งหลายที่ข้ามาบวชแล้วจะอยู่ในที่ไหนคนเดียวไม่ได้นี่ก็คือคือคื อ, ค, อคือเหมือนพ่อมีลูกอะฮะก็ตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้จะไปไหนคนเดียวไม่ได้จะอยู่คนเดียวไม่ได้จะไปนั่งกรรมฐานในป่าไม่ได้เพราะงั้นเวลาบอกอนุสาให้ภิกษุณีไม่ให้อยู่คนไม้นะฮะอนุสาภิกษุณีมี3มข้อต่านั้นเองไม่ได้บอก4ี่ข้อเหมือนกับพร้าแล้วไปปล่อยลูกสาวไปอยู่ตามคนไม้ไม่ได้เป็นเป็นถ้าเราดูให้จริ ง, รงๆแล้วคือรักษาภิกษุณีเท่านั้น เป็นมาตรการที่จะรักษาภิกษุหนีไว้เท่านั้นไม่ให้ถูกทําลายหรือเสื่อมไปไม่ได้กีดกันอะไรเลยถ้าเราไปดูดีๆนะครับทีนี้ไอการบวชเนี่ยการบวชบางอย่างเช่นว่าจะต้องเป็นนางสิกขามานาที่ก่อนถึงจะสิกข า, านาถือสิขาบทข้อนะฮะหข้อแต่ว่าข้อที่สข้อที่สมเปลี่ยนเป็นอะพลัมนะฮะแต่ว่าม า, มาถึงข้อวิกาแต่นั่นเองคือปานาทินนาอะพลัมแล้วก็มุสาสุราแล้วก็วิกา ถือหกปีเพื่อไม่ให้โดยไม่โดยไม่บกุกบกพร่องเลยนะฮะแล้วถึงจะให้บวชทําไมเป็นฉะนั้นมันมีปัญหามีปัญหาก็เรื่องอะไรที่เรื่องเคยเล่าเรื่องพระเจ้าปายาสาีเรื่องพระกุมารกัจจปะแม่พระกุมารกัจจปะท้องอ่อนอ่อข้ามาบวชอีตอนบวชมันก็ไม่รู้ว่าท้องอะ่ะประบวชไปก็ต้องตัวข้าตัวข้าวโคนก็โจกันภิกษุณีมีท้องโวยแย่หมดเลย ทีนี้ก็ทำยังไงก็เพื่อป้องกันอะไรแล้วก็ฝึกปลือมันญาติอัตยาศาัยด้วยนะฮะป้องกันเรื่องเหล่านั้นด้วยแล้วก็ฝึกปรื้มันญาติอัตยาศาัยด้วยแล้วก็ดูความเข้มแข็งของใจด้วยบางทีนี่หมายตั้งใจจะบวชจนตายนะฮะไปเลยนะตั้งใจจะบวชจนตายพออกราวก็บวชจนตายพอได้เจวันแล้วก็สึกแล้วมันมั น, มนบางทีมันก็ทำหยดหยาบไปอะ่ะก็ดูซะก่อนดูสักสองปีที่ทาไหวไหมถ้าทําไหวก็ให้ไปนี่ก็ ถ้าท่านไปอ่านคารุธรรมทั้งแดข้อนะครไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรเลยแต่เป็นเรื่องรักษาบริษัทฝ่ายเนี้ยภิกษุณีบริษัทนี้ให้อยู่ในสภาพที่ไม่มีเรื่องเสียหายไม่มีมณทินหัว่มองต่างๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นเรื่องสวัสดิภาพมากกว่าแต่การสืบต่อในตอนหลังที่มันขาดมันขาดไม่ใช่เป็นปัญหาที่ คือใครสร้างขึ้นเราก็ว่าไม่ได้นะเป็นเรื่องเกิดในยุคหลังที่ภิกษุณเีเกิดขาดการสืบต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะพระเนี่ยเป็นอุปชาบวชเพื่อนได้ปีเป็นพันๆนะฮะแต่ภิกษุณีอุปชาภิกษุณีคนหนึ่งนี่จะบวชภิกษุณีปีแล้วก็เว้นปีได้คนเดียวเองได้คนเดียวตรงนี้มันอาจจะทําให้ขาดได้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้กว่าติเป็นสิกขาโมานาสองปีนี่บางทีไม่หลุดขึ้นมาเลยไม่หลุดขึ้นมาเลย ถูกกระปีกว่าหกาเดือนเลยสึกหายไปไแล้วการสืบต่อจึงขาดเพราะตรงนี้นะแต่ว่าใครเป็นคนขอชาวบ้านเป็นคนขอเพราะการขยายกุฏิขยายที่อยู่เนี่ยมันมันมีปัญหาไปหมดเลยภิกษุณีจะไปอยู่โดยไม่มีพระคุ้มครองก็ไม่ได้พระก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงวัดก็ต้องกล้กันนะอยู่คนเขตแดนนะคนละเขตแต่ว่าพระจะต้องรับรู้เอออันตรายต่างๆที่จะเกิดแก่ภิกษุณีเมันก็ปั่นปัญหาในการอาราขาการคุ้มครองและการสร้างเสนาสนะ เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของภิกษุณีที่เพิ่มขึ้นชาวบ้านเขาก็ไปขอร้องขอร้องว่ต้องต้องชะลอยการเพิ่มของภิกษุณีหน่อยเพราะพระไม่มีปัญหานีา่ร่ำลานได้สบายไปนอนตามถ้าตามเขาอะไรอะไรได้พระไม่แปลกแต่ภิกษุณีมีปัญหาหมดเลยปัญหาจากาหลายๆอย่างเนี่ยทำให้การสืบต่อสืบไปไม่ได้เท่าที่ควรแล้วก็ภิกษุณีมาโผล่กันทีตอนสักรยนาครั้งที่สองพระนันทาเทรีมาแก้ปัญหาให้ แล้วก็ไปครั้งที่สามก็ไปเผยแผ่ศสาสนาที่ลังกาภาษากราพิตาเทรีแล้วก็อยู่ที่ลังกาแต่ปัจจุบันพิกษณุณีสายหมหายานยังมีอยู่นะฮะที่สิงคโปร์นี่ก็ยังมีอยู่ที่อะไรมาเลเซียนี่ก็มีที่ไต้หวันนั้นก็มีแต่เป็นสายของหมหายานสายเทราวาา น, นั้นหมดแล้วหมดมาตั้งแต่เข้าใจว่าหมดที่ลังกานะไม่ได้ข้ามาถึงเมืองไทยเลยเออทีนี้งานหลักๆที่พระ มหาปรชาบดีควรจะมีได้กระทําไว้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนะฮะคือวินัยบางอย่างนี่มันกีดกันกีดกันจนเกินไป ค, ค, คือทําให้ว่าคืออย่าลืมว่าพระกับภิกษุณีบางทีมันก็ญาติกันนะญาติบางทีแม่กับลูกอย่างเนี้ยยังยังพระนนเป็นพระนางประชาบดีก็เป็นภิกษุณีแม่กับลูกอะแล้วทีนี้มันมันพอวินัยก็คือวินัยอะมันพูดภิกษุณีกับพระเท่านั้นเองไม่ได้พูดถึงว่าแม่กับลูกอะไร พอไปอยู่ตรงนั้นมันก็อยู่คนในฐานะว่าแม่ป่วยพระเลยแล้วลูกเลยไปเยี่ยมไม่ได้เลยหายไปเลยพระพุทธเจ้าก็หย่อนวินัยลงมาวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตินั้นครั้งแรกอาจจะตึงนะฮะแต่ถ้าเห็นว่าตึงเราจะหย่อนแต่ไม่เลิกทุกข้อจะไม่เลิกแต่ถ้าก็หย่อนไปนะบางทีก็มีนักเลงแยะ่นะฮะ ค, ค, ค, ค, คือหาช่องว่างไอ้พวกสีถนนชายทั้งหลายเนี่ยบางทีวินัยต้องบัญญัติซ้ําๆๆๆๆต้อง4ีหครั้ง7ครั้งก็มีนะบางแห่งถึง8ครั้งเลยกัน ก็มีจอมกระล่อนเยอะฮะสมัยนั้นเหมือนกันนะช่องนี้ไปได้ไปเอาไปไปตอออ้องต้องอุดอุดช่องนั่นแกโผร่อีกช่องนึงอีกก็ต้องอุดอีกเพราะมันมันคนลูกเล่นมันแยะนะกฎหมายจึงคุมอะไรใครไม่ได้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันมีคนที่จะหลุดรอดช่องกฎหมายไปเรื่อยมันนั่งวิเคราะห์กันพักเดียวบางทีก็ตีความเข้าวประโยชน์เพื่อตัวเองกันแล้วแต่วินัยพระพุทธเจ้าก็ต้องทําให้อยู่ในวิสัยที่ปฏิบัติได้โดยไม่เดือดร้อนจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้เสียนะ ไม่ถึงกระเสียคือไม่หย่อนจนเสียแต่ไม่ตึงเครียดจนถึงก็เดือดร้อนเพราะทั้งสองทางนั้นเป็นทางที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติแล้วก็ที่สาคัญก็คือหลักที่ท่านทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงวางเป็นมาตรการเป็นเครื่องกำหนดตัดสินอันนี้พอดีก็คงจะไม่ต้องอธิบายเรื่องมันยาวแล้วก็อามากำลังทำเล่มใหญ่แล้วนีอธิบายธรรมะในธรรมิภาก ก็คิดว่าจะส่งข้าวลงพิมพ์พรุ่งนี้ไม่จะส่งข้าวลงพิมพ์มาส่งข่าวทาเพลตอ่ะยิงก็ทํามานานแล้วก็จะแจกแตเ่เล่มนี้คงแจกมากไม่ได้รึง ม, มันเป็นเล่มมาตรฐานะก็ใช้เป็นตํานาในการศึกษาเป็นธรรมะทั้งหมดเขาเรียกว่าเกือบจะทั้งหมดที่เราเผยแพร่ ก, กันในเมืองไทยเนี่ยเราเอามาไว้ในเล่มนี้ทั้งหมดเพราะส่วนมากที่เราเผยแพร่ธรรมะ ก, กันในเมืองไทยเราจะเผยแพร่ตามแนวแนวนโนโกวาทอนนั้นเอง เราไม่เคยขึ้นไปสูงนอกจากออกห้องอบรกมกรรมฐานอย่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าออกไปที่สธ า, านะแล้วส่วนมากจะเป็นธรรมะระดับโนโ ก, กว่าต์มบินสูงไม่ได้นะฮะบินสูงโยมก็ปีนบันไดฟังเลยก็ไม่ต้องนั่นกันนั้นก็ว่ากันในเนี่ยในธรรมะโนโ ก, กวาตแล้วตอนนี้ก็กำลังจะทาเป็นเล่มเกือบเกือกสามสบสามยกกว่าก็เห็นจะต้องไปหารายละเอียดเอานะฮะ กส็สรุปว่าเรามีมาตรในการตัดสินแล้วเป็นผลงานของภนางมหาประชาบดีก็จะมีเนื่องจากท่านเป็นรัตัญยูนะครับ ก, ก็คงจะรุ่นรุ่นกับพระัญญากนธัญญาและอย่างน้อยนะอายุแล้วก็อยู่มานานพระพุทธเจ้าก็เมื่อตั้งภิกษุณีในตำแหน่งเอตตะคะซึ่งมีทั้งหมด13รูปก็ตั้งท่านเป็นยอดแห่งภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นรัตัญูคือรุราตรีนานนะฮะ ก็เป็นบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิตของพระพุทธเจ้าตลอดสายมาเลยคือตั้งแต่ตั้งแต่ทรงพระเยาวมาเรื่อยมาโดยลําดับก็ปีนี้เขาถือว่าอะไรนะั้นเดือนเมษาเนี่มันเป็นปีของไอเดือนของผู้สูงอายุเพราะงั้นเราก็เชิดชูพระอรหันต์ที่ระดับรัตตันยูคือสูงอายุที่สุดแล้วก็รับยกย่องในเรื่องนี้มาสองขั้นสําหรับต่อไปก็เห็นจะต้องพูดเรื่องบาสุกุบาติกาคือจะยกตัวอย่างมาให้ฟัง บริษัทละท่านดัง น, นั้นนะฮะไม่ใช่เอามาเล่าทั้งหมดยกตัวอย่างให้ท่านดูลักษณะว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกันหมดเลยการที่ท่านทั้งหลายมาเป็นพระริยบุคคลในชั้นนั้นๆมาปัจจันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขออนโมทนาสาธุการกับ ท, ท่านทั้งหลายด้วยจุก